พระธรร ม, มเทศนาแผ่นที่53าลำดับที่18โดยหลวงพ่ออินทาวายสันตุสโกวัดปานาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีสแสดงธรรมเมื่อวันที่24พฤษภาคม2556หวันวิสาขาบูชามีชื่อเรื่องว่าวันประสูตรตัดสรุปปรินิพาน ถ้ามีโทรศัพท์เสียงดังปิดไว้ก่อนช่วงนี้เป็นช่วงฟังธรรมเป็นช่วงที่ประกอบคุณงามความดีแต่บมีโทรศัพท์ขึ้นมาอยากจะพูดลงไปพูดข้างล่างปิดไวนะดีที่สุด่าไปให้ความสำคัญกับ โทรศัพท์มากจนเกินไปกว่าศีลและธรรมก็ไม่ถูกเหมือนกันนะลูกหลานนะโอกาสอย่างนี้พวกเราด้นด้านมาจากจาตุรทิศมาจากทางไกลมาก็มาติดกับโทรศัพท์อีกอย่างเก่ามันก็ไม่น่าจะถูกน่าจะปิดไว้ก่อนในช่วงนี้นะตามจริงวันนี้น่าจะทำพิธีไหว้พระสวดมนต์แล้วก็สมาทานศีล น, นะ ไหว้พระแล้วก็อาราธนาศีลควรจะรักษาศีลอุโบสถใวันนี้นะอย่างน้อยกับศีลห้าแะแต่ตามไม่จริงหลวงพ่อเองอยากจะพี่น้องผู้สูงอายุทั้งหลายผู้ที่เคยรักษาศีลอุโบสถเคยบวชเป็นทิศเป็นเสียงมาก่อนก็ควรจะรักษาศีลอุโบสถละวันนี้พอถือว่าวันนี้เป็นวันพิเศษเป็นวันสําคัญยิ่งในทางพระพุทธศาสนา เพราะฉะนั้นพวกเราจะไปถือเลยตำเลยวันไหนก็วันเก่าไม่ใช่นะคณะสัตยาญาติโยมลูกหลานวันนี้เป็นวันพระพุทธเจ้าพระพุทธศาสนาของเราศาสนาอุบัติขึ้นในโลกเป็นวันประสูติคือพระพุทธเจ้าเกิดแล้วก็เป็นวันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมแล้วก็เป็นวันที่พระพุทธเจ้าปรองสังขานปรินิพานคือวันมรณภาพ หรือวันตายของพระพุทธเจ้าเพราะนั้นวันนี้ถือว่าเป็นวันสําคัญยิ่งในทางพระพุทธศาสนาวันหนึ่งเพราะฉะนั้นวันนี้พวกเรามาพบมาเจอพวกเรายังมีชีวิตอยู่ยังจะได้บําเพ็ญบุญกุศลต่อมาถึงปีนี้ปีพุทธศักราช2556ันห้ยห้กเพราะนั้นควรจะบําเพ็ญบุญกุศลต่อนะ้เอาต่อเนื่ไป หันหน้าไปทางพระประธานเอากลา้อาอ้าราหังส ม, มาอาวาตามนะ่ะข้าไปเจ้าทางหลาย ข, าาาขอสมาทา น, อ, าทานอุโบสถสิ น, สสนซึ่งพระพุทธเจ้ า, จจาบัญญัติไปแล้ ว, ญญลวองแปดประการ ดังที่ได้สมาทานมาแล้วนี้นเพื่อจะรับรักษาไว้ให้ดี ไ, ดไม่ให้ขาด ไ, ไม่ให้ทำลา ย, ลายสิ้นวันหนึ่งกับคืนหนึ่งณเวลาวันนี้ขอกุศลส่วนนี้ขขนนจงเป็นอุปนิสัยปเป็นปัจจัยแก่พระนิพพานในปัจจุบันนันกการ อันใกล้นี้เธินอิมานิอัฏฐศิฆาประทานอัเชกังรตินดิวังอุปสถฏีิราวะเนสนซาทุกังรักิตภานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโพกสัมปธาสีเลนนิพุติงยันติตัดสมาสีลังวิโสทะเย ที่พูดจบลงสักคูนี้เป็นวันรักษาอุโบสถศิลแล้วก็พูร้รักษาศิลหะรักษาศิลหาให้ตลอดรอดฝังนะวันนี้เป็นศิลพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเป็นบูชาวันสำคัญยิ่งวันประสู ต, ติตรัสรูปรินิพานของพระพุทธทเจ้าเพราะนั้นพวกเราเป็นพุทธบริษัทพุทธบริษัทก็คือเป็นบริษัท บริษัทจำกัดบริษัททางล้านบริษัทนี่แหละอันนี้กับเราเป็นพุทธทางบริษัทคือเป็นหมู่หมู่เป็นกลุ่มเป็นคณะเป็นบริษัทใหญ่ที่นับถือพระพุทธเจ้าพระไตราสราระคมพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสราระเป็นที่พึ่งเป็นเครื่องนำชีวิตได้นับทำคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องวิถีที่นา ชีวิตการเป็นอยู่ของพวกเราวิถีชีวิตที่ทางนำทางด้านจิตวิญญาณของพวกเราถือว่าเป็นวันสำคัญเพราะนั้นพวกเราคณะสัตยาญาติโยมลูกหลานทุกหมู่เหล่านะวันนี้ถือว่าเป็นวันสำคัญให้พวกเรารักษาศีลตลอดรอดฝั่งนะวันนี้เป็นวันที่24พฤษภาคมพุทธศักราช2องพเป็นวัน ปิสาขาบูชาแล้วก็พวกเราท่านทั้งหลายเมื่อทานอาหารฉันอาหารรับทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้นะหลวงพ่อได้ประกาศกนัตสัทธาญาตโยมผู้ที่จะไปได้นะหลวงพ่อจะนําไปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่วัดบ้านสวนวัดบ้านสวนที่พวกเราได้ลงทุนซื้อที่ดินเมื่อปีที่แล้ว ทั้งหมด48ไร่ก็ให้ฝ่ายอุบาสิกาฝ่ายผู้หญิงไปปฏิบัติธรรมหรือ ว, ว่าตั้งเป็นสำนักชีอยู่ที่นั่นเดี๋ยวนี้ก็มีชีอยู่สองคนแล้วก็มีโยมผู้หญิงไปไปมามาเข้าเข้าออกออกปฏิบัติธรรมเพราะสถานที่ยังไม่พร้อมกำลังจะปลูกกุฏิอีกขึ้นมาอีก4หลังก็คิดว่าจวนจะเสร็จแล้วละอีกไม่กี่วันก็คงจะอยู่ได้ปฏิบัติธรรมได้ เพราะนั้นวันนี้ถือว่าเป็นวันสำคัญวันหนึ่งที่มีผู้ถวายพระพุทธรูปหินแล้วก็ได้ยกไปไว้ประดิษฐานไว้ที่วัดบ้านสวนแล้วก็มีโยมจากกรุงเทพที่รู้จักเจก้าลูกสิธิ์ลูกหาเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบันท่านได้มาช่วยปิดทองพระประธานพระหินองค์นี้แต่ท่านก็บอกว่าเออถ้า นั้นผมกับผมผมเองจะกราบขอพระราชทานพระบรมสารีริกธาตุจากเจ้าพระคุณสมเด็จมาประดิษฐานไว้บนเสียนพระประธานอกูบาจารย์จะขัดข้องไหมหลวงพ่อไม่ขัดข้องยินดีได้พระธาตุมาแล้วก็เป็นสิริเป็นมงคลที่สำนักบ้านสวนแห่งนี้เพื่อนลูกหลานจะได้ ก, าากราบไหว้สักการบูชาแต่ในเท้าก็ได้ ได้รับมาจากเจ้าพระคุณสมเด็จก็ได้ได้มามอบให้ทางทางสำนักชีเขาแล้วเพราะนั้นวันนี้ถือว่าเป็นวันมงคลมหามงคล เ, เป็นวันพิสาขาบูชาพวกเราจะพร้อมกันไปปฏิสถานแล้วไปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุบนพระเสียนเสียพร พ, ธ พ, ธพระพุทธปฏิมากรพระพุทธรูป ที่วัดบ้านสวนวันนี้เราทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปที่นู่นแล้วก็พร้อมกันเมื่อก่อนที่จะบรรจุก่อนจคงจะมีการสวดอิติปิโสพระควาสามจบพระสงฆ์ด้วยศรัทธาญาติโยมด้วยทุกหมู่เหล่าเพราะว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พระบรมสารีริกธาตุไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใดเป็นของพุทธบริษัทส เป็นของพวกเราทุกคนที่จะนำขึ้นไปปฏิสฐานบนเสียนพระประธานที่วัดบ้านสวนเพราะนั้นบอกกล่าวให้คณะสัตยา ญ, ญาิโยมทุกหมู่เหล่านะพ ร, พร้อมกันไปพบกันที่นะที่บ้านสวนเมื่อทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วหลวงพ่อคิดว่าจงจะประมาณสักเก้าโมง 10, 10. ิโมงกว่าๆเนี่ยมัง้งประมาณนี้แหละไปสบายๆจากนี้ไปประมาณสัก เกิโลติดตั้งเข็มไม้ในการเดินทางออกไปทางประตูวนะัดหน่งเคยถามกันออกไปทางขวามือนะ่ยขวามือหลวงพ่อที่นั่งอยู่นั่นคือกับทางบ้านนายูงสำนักชีนเนี่อยู่บ้านนายูงแต่ใกล้ๆหมู่บ้านเขาใกล้ๆหมู่บ้านนายูงถ้าผู้ใดไม่เคยเห็นก็ไปดูก็ดีเหมือนกันนะสำหรับฝ่ายอุบาสิกาหลวงพ่อ จัดไว้ให้เป็นสำนักชีเป็นส ำ, สำนักปฏิบัติธรรมเหมือนกับสำนักคุณแม่ชีแก้วอย่างนั้นน่ะแล้วก็ให้พวกเราดูแลการบริหารจัดการาแล้วก็ภาวนาบำเพ็ญศีล ส, สมาธิปัญญาอยู่จุดนั้นที่ก็ไม่ไม่แคบนะ48ไร่นะักว่างพอสมควรหลวงพ่อไปเห็นแล้วก็สับปลายะมีน้ำมีอะไร มีสวนละหมากลากไม้ที่เป็นสวนเก่าของเขาอันนี้ก็คือวัดบ้านสวนแล้วก็วันนี้เมื่อเราตอนเย็นทางว่าท่านผู้ใดอยากจะมาเวียนเทียนพระทักษิณรอบศาลาคือวัดของเราก็คือพระพุทธปฏิมาที่พระประธานเราก็ได้บรรจุพระบรมสารีกรธาตุ ไว้บนพระเศียรพระพุทธปฏิมาเหมือนกันเพราะนั้นทุกปีตั้งแต่สร้างวัดมาเราก็ได้ทำเวียนเทียนพระตักศินรอบศาลาสามรอบเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเป็นถือว่าเป็นวันสำคัญยิ่งในทางพุทธศาสนาอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวเพราะนั้นคณะัทธา ญ, ญาติโยมผู้ใดมีเวลาที่จะมาเวียนเทียน รอบซาลาก็ได้วันเย็นวันนี้ประมาณหนึ่งทุ่มเริ่มพิธีตั้งแต่หนึ่งทุ่มแล้วไปถ่าจะเสร็จก็ประมาณสักสองสามทุ่มคงจะเสร็จทุกอย่าง น, นี้ก็คือพิธีกรรมวันวิสาขาบูชาของพวกเราก่อนที่จะเวียนเทียนพวกเราก็เมื่อเวียนเทียนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คงจะขึ้นมาไหว้พระจากนั้นก็ได้ฟังทำพระเทศนาสักหนึ่งกันแล้วก็นั่งปฏิบัติ วันนั้นวันนี้ให้ถือให้ครบมีทั้งทานมีทั้งศีลมีทั้งภาวนาด้วยทานก็พวกเราได้ถวายทานตักบาททําบุญทําทานพระสงฆ์อันนี้ก็คือทานศีนก็มือเมื่อกี้นี่พวกเราได้สมาทานศีนศีนห้าศีนอุโบสถ เ, เสร็จลงไปเรียบร้อยแล้วตกตอนเย็นเราก็จะทําพิธีนั่งสมาธิอะไรต่างปฏิบัติธรรมเป็นพุทธ บ, ทบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาในพระพุทธศาสนา วันนี้ถือว่าเป็นวันสำคัญยิ่งที่พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกเป็นวันเกิดพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกเป็นวันเกิดของพระพุทธเจ้าเป็นวันประสูติของพระพุทธเจ้าก็ว่าวันประสูติพวกเราบ้านนอกของคาเมทั้งหลายไซส์สัเป็นพระบาลีพวกเราก็คงจะไม่รู้แต่ถ้าว่าถ้า เราจะพูดแบบภาษาบรร น, นอกเกินไปคล้ายๆว่าเป็นการหลบหลูและเป็นการไม่ให้ความเคารพแต่ตามไปจริงภาษาภาษานี่คือสื่อให้เข้าใจกันได้ง่ายๆสื่อให้เข้าใจกันแต่ส่วนเคารพหรือไม่เคารพมันอยู่ในจิตใจของพวกเราท่านทั้งหลายเพราะฉะนั้นหลวงพ่อเองจึงพยายามสื่อให้พี่น้องศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเข้าใจได้เข้าใจง่ายคือวันนี้เป็นวันเกิดของพระพุทธเจ้า วันนี้เป็นวันตัดสรุ้ที่บรรลุธรรมรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมของพระพุทธเจ้าวันนี้เป็นวันปรินิพานเรื่องวันตายของพระพุทธเจ้าอันนี้ก็คือในวันเดียวกันถือว่าเป็นวันสําคัญเรียว่าวันเดียวกันแต่เมื่อพระพุทธเจ้าปรินิ พ, พาน เสร็จเรียบร้อยแล้วพระเจ้าพริริเพปานอยู่ที่กรุงกุศินารามมันลักษัตริย์มันลักษัตร์นี่คือปกครองแบบฤาษีวีปกครองในกรุงกุศินารามปกครองแบบฤาษีวีคือฤาษีวีห0าร้อยเป็นสมาคมขึ้นมาแลว้วก็ปกครอง7วันผู้หนึ่งเป็นพระเจ้าแผ่นดินอีก7วันหนึ่งพระเจ้าแผ่นดินอีก7วันหนึ่งพระเจ้าแผ่นดินถึงครบห้าร้อกับหมุนเวียนกัน อันนี้เราป ก, ปกครองแบบริศวีให้แสดงความคิดเห็นได้ขณะที่ขณะทีต่ตัวเองเป็นพระราชาเจวันน่นน่ะแสดงความคิดเห็นว่าตัวเองอยากจะทําอะไรอยากจะ อ, อยากจะพัฒนาประเทศชาติยังไงเห็นความบกพร่องของประเทศชาติอย่างไรอันนี้ก็คือแสดงออกเจวันแล้วก็เปลี่ยนกันอันนี้ในครั้งพุทธกาลอันนี้เมืองกุชินาราเนี่ยคปกครองแบบฤิวีมลรกษัตริย์ พระพุทธองค์ไปปริยเดีพานแต่เป็นเมืองเล็กเป็นเมืองน้อยเมืองเนี่ยเป็นเมืองสุดท้ายปลายแดนจนถึงกับพระอานนท์ได้กราบทูลพระพุทธเจ้าว่วาขอพระองค์ไปปริณิพานในเมืองใหญ่ใหญ่ด้วยเถิดพระเจ้าค่ะอย่ามาปริณิพานอยู่ที่เมืองสุดท้ายปลายแดนเป็นเมืองเล็กเมืองน้อยพระพุทธเจ้ า, จาประว่างยิ่งยาโดยอานนท์เมืองนี้กับเฮยเป็นเมืองใหญ่มาก่อนเหมือนกัน ตกอก็เป็นราชธานีเป็นเมืองของพระเจ้าจักรพรรดิเหมือนกันแต่ในพระไทยหรือในใจของพระพุทธเจ้าท่านคงจะรู้แล้วว่าการที่จะปรินิพานเมืองใหญ่นั้นจะเป็นยังไง ป, ปรินิพานเมืองเล็กนั้นเป็นงไงพระพระพุทธเจ้ามีญ า, าณรัศนะท่านอย่างรู้หมดทุกอย่างจากนั้นพระองค์ก็ว่าปรินิพานเนี่ยเมืองกุศินารานี่แหละที่สวนอุทยานในระหว่างต้นรังทั้งคู่ วันเดือนหเพนนน่ยพระพุทธเจ้ากับปรินิพานพอปรินิพานแล้วก็มันลักกระสัก็จะถวายพระเพงท่านละทีถวายพระเพง ส, สรีระของพระพุทธองค์แต่พอจัดถวายศรีระเนี่ยไฟใหม่พอเอาไฟจุดเข้าไปาถวายพระสรีระใหม่ๆมเพราะว่าเทวดาอยู่ ไม่ให้ไหมจากนั้นก็ได้ถามพระอนุรุธทธะที่เป็นพระมหาเทระผู้ใหญ่ผู้มีญาณทัศนะแต่ว่าทําไมไฟจึงไม่ไหมเหมือนจุดเข้าไปแล้วไฟดับเหมือนกับเอาไฟจุ่มลงไปในน้ำอย่างนั้นอย่างนั้นแอบจี้เข้าไปเหมือนกับไฟเข้าไปในน้ํามันดับทํำไมพระอนุรุธทธะบอกว่าเทวดาที่รักษาจรีละพระพุทธองค์อยู่เนี่ย ไม่ให้ไฟไหม้เพราะว่าพระมหากรัชปะเถระยังเดินทางกําลังเดินทางมาอยู่เดี๋ยวนี้พร้อมกับพระสงฆ์ตั้ง500รูปเดินทางมาทราบข่าวว่าพระพุทธองค์ปรินิพานพระสารีบุตรพร้อมกับพระสงฆ์500รูปกำลังเดินทางมาอยู่เพราะนั่นเทวดาท่านให้คอยพระมหากรัชปะอยู่ขณะนี้จากนั้นก็คอยพอคอยเสร็จแล้วพระมหากรัชปะเดิน ทางมาถึงก็เข้าไปกราบสรีระพระพุทธเจาเ้าพอกราบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ถอยออกมาเท่านั้นแหละไฟลุกเอง เ, อเที่ยวดาเป็นผู้ประชุมเพลิงเองเป็นผู้ถวายพระเพลิงเองถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้าทว่ถวายพระเพลิงเสร็จเรียบร้อยแล้ว เ, เออก็ต่างหัวเมืองต่างๆทราบข่าวต่างก็ยกทัพไปท่นั้ ออทางรัชทายา อ, อ, อสาวัถีสาเกตโกจอมพีพาลานาสีเมืองใหญ่ๆ ใ, ในยุคสมัยนั้น16แคว้นนะยกทัพไปเพื่อจะไปขอพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้พาพอทราบข่าวว่าพระพุทธเจ้าปรินิพานที่กุชินนาลานะต่างคนก็ต่างยกทัพไปเลยแต่ที่แรกก็มันษัตริย์ททั้งหลายก็แข็งข้อนะ่ เน่จุดนี้แหละที่พระพุทธเจ้าประสิทธิพานในเมืองน้อยเนี่ยมีเหตุผลของพระองค์ทางว่าพ ร, พระพุทธเจ้าไปปริทิพานในกรุงราชคือตะกลูลสาวัตถีเนี่ยเป็นเมืองใหญ่ไงเป็นประเทศที่ใหญ่ทหารอะไรก็พร้อมหมดทุกอย่างแต่ประเทศไหนจะเข้าไปล้อมเน่ยเขาก็ต้องสู้แบบหัวเด็ดตีนขาดเพราะศักดิ์ศรีจะไม่ยอมแบ่งปันให้ใครใครง่า ย, ายๆพราะพระุทธเจ้าประสิทธิพานบ้านของข้าสู่เจ้าจะมาแย้ม ก็คงจะสู้กันอุตรุดก็คงจะล้มหายตายกันคงจะมีอีกเกิดขึ้นอีกเพราะพระพุทธเจ้าเพราะพระธาตุของพระพุทธเจ้าแต่เมื่อพระพุทธเจ้าไปปริาัติในเมืองกุชินาลาเป็นเมืองเล็กเมืองน้อยแต่นี้พระเจ้าแผ่นดินมันรัรทย์ ท, ท้งหลายเขาก็แข็งข้อเหมือนกันไม่ยอ ม, มปล่อยให้กั บ, กบใครเพราะ พ, พระพุทธเจ้าไว้วางใจกับพวกข้าพระเจ้าเอง จึงได้มาปรินิพานในเมืองของข้าพวกท่านทั้งหลายถ้าพระพุทธเจ้าให้ความสําคัญกับเมืองของท่านคงจะไปปรินิพานในเมืองของพวกท่านเสียอันนี้พระพุทธเจ้ามาปรินิพานในเมืองของข้าข้าต้องเป็นใหญให่ข้าไม่ยอมแบ่งปันใครทีนี้ทางเมืองทั้งหลายแต่สิบหแควนึ่งนนอมีช้างมีมา้ามีสัตว์ราวุธล้อมรอบอย่างแน่นหนาเขมรจะให้หรือไม่ให้ฮะ ท้ามให้จะเยียบเดียวนี้ไหมโผรที่สุดโธนภามที่เป็นปุโปรหิตรตาจานที่เป็นผู้ใหญ่ของเมืองกุชินาราบอกว่าไม่ได้พราะพุทธเจ้าเป็นของทุกคนเป็นพุทธบริษัทสีไม่ใช่แต่ของเราคนเดียวเป็นของท่วโลกเป็นของทุกเมืองเพราะท่านไปประกาศาศาสนาทุกแห่งหนพี่น้องประชาชนทุกหมเหล่าให้ความเคารพสักดรนับถือเลื่อมใส ยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสระเป็นที่พึ่งเราจะเอามาไวท้ทีเดียวคงไม่ถูกต้องควงจะควรจะแบ่งแบ่งพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าให้กับหัวเมืองต่างๆกับเมืองต่างๆถ้าเมืองใหญ่ก็ให้มาก้าเมืองน้อยก็ให้ลดหลั่นกันลงไปทต่ในมันลกษัตริย์ไม่มีทางออกเนะเพราะเขาล้อมอย่างแน่นหนาเนะี่ยเขาจะเหยียบเข้ามาเนะี่ยเพราะนั้นเลยตกลงเอาแบ่ง กระแบ่งก็ให้โทนภามเลยละเป็นปรหิตไายจานของเมืองอกุชินาลาเนี่ยแต่นี้ก็ใส่โถใหญ่ขึ้นมาแล้วก็แบ่งแบ่งเป็นชุนส่วนนะแบ่งเป็นส่วนส่วนขึ้นอยู่ในที่สูงจากนี้ก็พวกกษัตริย์ทั้งหลายก็ส่งตัวแทนเข้าไปไปรับพระบรมสารีริกธาตุ ไปแล้วก็รับคืนมาแล้วก็แห่ออกไปรับแล้วก็แห่ออกไปไปปฏิสถานที่เมืองโคตตนเองนะ่ยไปใครได้รับกว่านท่านนะ่ะดีอกดีใจแต่เนี่โทธยาพรมีคอรับชั้นมันมีทุกยุคทุกสมัยนะพวกเราท่านทั้งหลายขนาดแบ่งพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้ายังมีคอรับชั้นอีกจุดนั้นอีกเหมนกันยังก็มีขโมยอีกในขโมยพระาธาตุของพระพุทธเจ้าเนีเห็นไหมพระพุทธเจ้าเป็นสยามภูรู้ แจ้งโรคทุกอย่าง เ, เป็นผู้บริสุทธิ์หลดพ้นจากอาสาวะกิเลสยังมีกิเลสถึงความโลภเข้าไปในอยู่จุดนั้นอีกเหมือนกันฮะงพ่อฟังฟังดูแล้วก็อน่าคิดเหมือนกันจะเรื่องจะแท้จริงยังไงกับพระไตรปิฎกท่านยืนยันอย่างนั้นไเอือโทนาพามพอแบ่งพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าแบ่งไปแบ่งมาก ไปเห็นพระเขี้ยวแก้วพระเขี้ยวแก้วก็คือฟันของพระพุทธเจ้าฟันพระเขี้ยวแก้วนะพราหมณ์ก็เห็นจุดนั้นเลยก็หยิบเอาพระเขี้ยวแก้วมาใส่ที่ม้วยผมตัวเองนะเพราะคนสมัยก่อนเขาม้วยผม้มวนผมใช่ไหมแล้วก็ก็มัดผมจุกไว้ทา ง, ทางบนศรีรษนะเ้าก็เห็นพระเขี้ยวแก้วเนะี่ยโอ้เป็นของศักดิ์สิทธิ์เป็นของที่ เ, เลิศประเสริฐในพระบรมสารีริกธาตุ เขาก็หยิบผ้าเกี่ยวแก้วน่นมายัดเข้าใจในมวยผมของเขาอ่าเพราะยัดใจมวยผมเสร็จเรียบร้อยแล้วเจนี่เขาก็แจกอย่างอื่นต่อไปอ่าแจกอย่างอื่นแจกพระพมสา ร, รีกระถาดพอแจกเสียนเรียบร้อยแล้วก็บอกว่าเน่ยละหมดแลนะนะนะหมดแล้วเนี่ยความขัดให้คนดูเลยหมดแล้วอ่คนทั้งหลายก็ว่าหมดแล้วเจนี่ตัวเองก็มาคำคำดูไป ที่บนศีรษะของตนเองฮะพระอินทเทวดาที่มองไม่เห็นตัวนะ่ยพระอินอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงนะเนี่ยท่านเห็นเออพามเนี่ยข อ, อ, อาพระเขี้ยวแก้วของพรนะพุทธเจ้ามาขโมยไว้ที่บนศีรษะของตัวเองว่าใครไม่รู้เหรอเนะี่ยเรารู้เนะี่ยพระอินว่าเรารู้เนะี่ยพระอินก็เลยขมายต่อเงี้ยทนะ่านเออพระโทโทนพามขโมยอย่างนั้นน่ย พระเอ็นอยู่บนสวรรค์นท่านขามายเยท่านก็หยิบเอาพระเขี้ยวแก้วของพระพุทธเจ้าอยู่ที่มวยผมของพรามเอาขึ้นไปปฏิสถานบนพระาธาตุเกศแจ้วจุลมณีที่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงชั้นดาวดึงกัปีมีพระเจดีย์พระพุทธเจ้าหลายๆพระองค์ขึ้นไปปดิสถานพร ะ, ะอิทก็ได้ท่านนำ ได้น้อมนำพระเกียวแก้วของพระพุทธเจ้าขึ้นไปประดิษฐานบนพระธาตุเกตเจ้าจุลมณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงนี่แหละคือความเป็นมาการแจกพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ขององ่ายง่ายเหมือนกันนะเพราะคนมันกิเลสเนี่ยใช่ไหมละ่ะกิเลสใครๆก็ไม่ยอมใครแต่ที่พระพุทธเจ้าไปปริญีพานเมืองกุชินาราถ้าเรามาพิจารณา ย้อนหลังดูแล้วเนี่ยเป็นพระพุทธเจ้าท่านวางแผนไว้หมดทุกอย่างเพราะท่านสยามภูรู้แจ้งโลกถ้าท่านไปปรินิพานในเมืองใหญ่ๆก็อย่างว่าเนี่ยทหารมันพร้อมมันพร้อมที่จะสู้รบกับใครก็จะต้องตายแหลกลานกันพอสมควรแต่นี้ทางว่าไปปรินิพานที่เมืองกุชินาราเมื่อปรินิพานจุดนั้นแล้วเนี่ยกุชินาราไม่มีกํำลังไม่มีกําลังพอที่จะต่อสู้ ในทางทหารเพราะประเทศอื่นเขาใหญ่กว่าเขาล้อมรอบเขาไปผลในสุดก็ต้องยอมแพ้ยอมแพ้ก็ต้องแบ่งแบ่งกันโดยดีเพอเพยยังแบ่งอันนั้นอีกพามยังขโมยของเขาไปอีกขโมยพระทาตประเขียวแก้วของพระพุทธเจ้าอีก น, ะนี่แหละในเมื่อแบ่งไปแล้วทีนี้ต่างคนก็ต่างได้พระปรรมสารีริกธาตุ ของพระพุทธเจ้าไปในเมืองของตนก็หาทำเลที่ดีที่สุดคือพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่าผู้สมควรที่จะสร้างสถูปและเจดีย์เป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชามีอยู่สี่จำพวกพระพุทธเจ้าสมควรที่จะสร้างสถูปและเจดีย์ปฏิสถานพระพรมสารีริกธาตของพระพุทธเจ้าสมควรยิ่ง แล้วกัพระปัเจกพุทธเจ้าผู้ที่ท่านเป็นพระปเจกที่ท่านได้สาเร็จเป็นพระอรหันต์เป็นรองลงมาจากพระพุทธเจ้าแล้วก็พระอรหันตแต่สาวกผู้ที่ท่านได้สาเร็จเป็นพระอรหันต์หมดจดจากกิเลสแล้วเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าอันนี้ก็คือพระอรหันต์แล้วกัพระเจ้าจักรพรรดิพระเจ้าจักรพรรดิยังเป็นผู้มีกิเลสอยู่นะยังมีกิเลสอยู่แต่ว่าเป็นใหญ่ ในแผ่นดินในยุคนั้นพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าจากักรพรรดิเป็นใหญ่ในเมื่อพระเจ้าจากักรพรรดิปกครองประเทศชาติจะปกครองโดยธรรมจะไม่มีการเบียดเบียนและกะบุญหนักซักใหญ่ในยุคสมัยนั้นสมัยเมื่อพระเจ้าจากักรพรรดิครองราชอุดมสมบูรณ์หมดทุกอย่างเพชรนินจินดาเงินคําทรัพย์สมบัติจะไม่มีขโมยไม่มีขโมยโพยโจรเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตเพราะพระเจ้า จักรพรรดิเป็นผู้สอนสั่งสั่งสอนให้รู้จักศีลและธรรมในสมัยใดพระพุทธเจ้าจักรพรรดิอุบัติขึ้นในโลกสมัยนะั้นจะไม่มีกุญแจจะไม่มีลูกกรในในบ้านครับผุดถึงขนาดนั้นนะกรและกุญแจนะั้นไม่มีไม่มีขโมยไม่มีใครทําความชั่วเคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันอยู่ด้วยกันด้วยความผาสุกสมัยเมื่อพระเจ้าจักรพรรดิอุบัติขึ้นในโลก เพราะเมื่อพระเจ้าจากักรพรรดิสวรรคตไปเถิพวกบริวารทั้งหลายพวกชาวเมืองทั้งหลายพวก บ, บริษัทบริวารทั้งหลายก็ต้องประดิษฐ์สถตว์หลานกระดูกหรือดอติธาตุของพระเจ้าจากักรพรรดิไว้ในทางสี่แพ่งเพื่อให้พี่น้องประชาชนทั้งหลายได้เคารพสักการะด้วยความเคารพรักใน พระเจ้าจากักรพรรดิและก็ล้ำลึกถึงคุณงามความดีของพระเจ้าจากักรพรรดิโดยพระเจ้าจากักรพรรดิทำความดีอย่างไรท่านจึงได้มียศชื่อเสียงกิตติศัพท์เป็นที่เคารพของคนทั้งหลายอย่างนี้ เ, เขาบอกพระเจ้าจากักรพรรดิเป็นผู้มีศีลมีศีลท่าประจําและก็มีศีลอุโบสถทุกวันพระอย่างนี้นะและก็ปกครองโดยธรรมนีนะ่จากนั้นคนก็ล้ำลึกถึงก็รักษาศีลท่า ร, รักษาักษาศีนุโบสถที่อย่างที่พระเจ้าจากักรพรรดิพาดำเนินพวกเขาเหล่านั้นทาแต่คุณงามความดีลำาลึกถึงพระเจ้าจากักรพรรดิจากนั้นพวกเขาเหล่านั้นก็ตายไปแล้วก็ไปสู่สวรรค์เป็นส่วนมากเพราะเขาทำคุณงามความดีเพราะนั้นสมควรยิ่งพระเจ้าจากักรพรรดิจะต้องสร้างสถูปพระเจดีย์ไว้ในทางสีแพ่งและเป็นสถานที่เคารพ ของพี่น้องประชาชนในยุคนั้นเพราะฉะนั้นทูปประหับบุคคลสี่จำพวกอย่างที่หรงพ่อได้กล่าวเบื้องต้นว่าพระพุทธเจ้าไม่ต้องพูดถึงเพราะท่านเป็นสยามภูรู้แจ้งโลกเป็นพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณอันนี้คือพระพุทธเจ้าพร้อมหมดทุกอย่างสมควรยิ่งที่จะสร้างสร้างสัตูปพระเจดีพระประเจกพุทธเจ้าก็คือพระหรันต รองลงมาจากพระพุทธเจ้าและกับพระหันแต่สาวก ค, คือเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าที่ได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าและปฏิบัติตามท่านได้สาเร็จเป็นพระหันอันนี้ก็สมควรยิ่งที่จะสร้างสถูปไดะเจดีย์เพราะท่านเป็นผู้หมดจดจากกิเลสแล้วพ้นจากโลกแล้วไม่มาเวียนว่ายตายเกิดอีกแล้วอันนั้นคือสามจำพวกแต่สจําพวกที่4ี่ก็คือพระเจ้าจากักรพรรดิที่หลวงพ่อได้บอกกล่าวให้กับ พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังว่ามีเหตุผลอย่างไรที่จะสร้างพระาธาตุพระเจดีย์ของพ ร, พระเจ้าจากักรพรรดิเพื่อปฏิสถานอัติธาตุของพระเจ้าจากักรพรรดินีแ่แหละนอกจากนั้นไม่ควรพระพุทธเจา้าบอกว่าไม่ควรเพราะเหตุไรเพราะทาว่าไม่ควรครับนี่ใครเขา้าเมื่อตัวเองอยังไม่ตายว่าเขาจะสร้างเจดีย์ไว้ให้ตรงนั้นตรงนี้เอ จะสร้างสะถูปไปตรงนั้นตรงนี้ตัวเองก็คิดห่วงหาอะไรเลยพอตายไปแล้วนั้นไปคอยวิญญาณของเราก็ไปคอยเฝ้าอยู่ในธาตุในเจดีตัวนั้นแหละอา่าเพราะในสูเขาก็เอากระดูกแข่งไปวางไว้ที่ด้านตัวเองก็ไปนั่งเฝ้านอนเฝ้ า, าวิญญาณตัว น, นั้นเออเฝ้าอยู่กระดูกแข่งตัวเองอยู่ตลอด เ, เพราะว่าตัวเองว่าตายแล้วข้าพรเจ้าจะต้องไปอยู่ที่นี่เอ่อคือแค่ว่าเป็นการผูก ฝังวิญญาณเอาไว้แล้วตัวเองก็คิดว่าจะไปอยู่ที่นั่นพอตายไปแล้วก็ไปเฝ้าอยู่ที่นั่นไม่รู้กี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นปีจึงจะงเจดียึที่เขียมพังกระดูกนั่งกึ่งจะละลายละเลงไปได้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านว่าไม่สมควรที่จะสร้างสถูรูพระเจดีย์สำหรับปุถุชนนะอันนี้ก็คือเหตุผลส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราคณะรัทยา ญ, ญาติโยมลูกหลานนานๆ พวกเราจะได้ยินอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวให้ฟังเนี่ยเพราะหลงพอเองได้ศึกษาในพระไตรปิฎกแล้วก็ได้วิเคราะห์แล้วก็ได้ฟังในหลายรูปแบบที่พระพุทธเจ้าในพระไตรปิฎกท่านอธิบายแนวความคิดให้ฟังกว้างขวาง เ, เพราะฉะนั้นหลวงพ่อเองได้นำมาบอกกล่าวให้พวกเราคณะสัตยาติโยมพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า เมื่อเรากราบแล้วเราก็ระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามีคุณงามมีคุณความดีอย่างไรพระพุทธเจ้าตรัสรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณพระพุทธเจ้าเมื่อประสูติขึ้นมาแล้วได้ออกบวชไปบําเพ็ญอยู่ตึ้งหปีอยู่ในป่ า, เ, าเมื่อบําเพ็ญได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในวันเดือนหเพ็ญคือวันนี้แหะเมื่อ 2,500 2,556 ปีให้หลังพระผู้ธดจาอุบัติขึ้นในโลกเพราะนึกถือว่าเป็นวันสำคัญเมื่อท่านได้ตัดสู้เป็นพระอนุตระสัมมาสัมโพธิญาณแล้วท่านตัดสู้อะไรในวันเดือนหกเพนนนั้นท่านนั่งภาวนาเ อ, อ่อนั่งภาวนาท่านได้บรรลุได้ตัดสู้ท่าว่าปุบเพนิวาสานุสติญาณละลึกชาติโหดหลังได้ตอนหัวค่ำ พอถึงเที่ยงคืนจุตูปะปาแตะยานการมองดูสรรพสัตว์ทั้งหลายใครมาเกิดอย่างพวกเราท่านทั้งหลายมาที่นี่มาจากไหนมาเกิดออกจากที่แล้วจะไปไหนอันนี้ว่าจุตูปะปาแตะยานแต่พอจวนสว่างพระพุทธเจ้าได้ตดรัสรู้อนุตรพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณที่ว่าอาสาวกไหยญาติญาณอย่างรู้ว่าพระองค์หมดจดจากกิเลสแล้วชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายแล้ว เราจะไม่มาเกิดอีกแล้วอันนี้เนะ่ยเอาไว้ในวันเดือน6กเพนท่านได้ตัดสรุธธรรมสมอย่างปุเพนิวาสานุจติยานจูตูปะปะตาตยานอาสาวกไตรยาน ใ, ในวันเดือน6กเพนเพราะฉะนั้นพวกเราที่เป็นพุทธบริษัทของพระพุทธองค์อุบาสกอุบาสิกาพุทธบริษัทคือภิกษุสามนเณรอุบาสกอุบาสิกาพุทธบริษัท4ของพระพุทธเจ้าพวกเราให้ศึกษา เมื่อศึกษาแล้วก็นํามาประพฤติปฏิบัติปรปับปรุงกายวา่าจาใจของพวกเราพวกเราก็จะประสบจากความสุขความเจริญตามแนวแถวของพุทธะนี่แหละให้เดินตามแนวแถวของพุทธะที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนอย่างไรพุทธเจ้าสอนให้ทานเนิบพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมจะเป็นผู้ที่ตนีทีเหนียวเป็นผู้เสียสละเดาโ ส, ะสะแสวงหาทรัพย์ไรมาแล้วก็เอา้าแบ่งรู้จักแบ่งไม่ใช่ให้ทั้งหมด ไม่ใช่เก็บทั้งหมดให้รู้จักแบ่งให้พ่อให้แม่ให้พี่ให้น้องให้วงศาคณาญาติที่เขายากจนกว่าเราที่เขาด้อยกว่าเราให้มีน้ำใจให้มีเมตตาต่อกันเนอะอันนี้คือทานะคือทานจากนั้นให้มีกฎให้มีระเบียบรักษากายวาจาของตนเองให้เรียบร้อยคือชื่อวศิลป์เรียกว่ากฎหมายก็ว่าได้ทางบ้านเมืองของเราว่ากฎหมายแต่ทางพระทางวศิล์ ศีล ค, คือกฎหมายคือกฎระเบียบการอยู่ด้วยกันอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันคือศีลห้าก็เพียงพอแล้วสำหรับฆราวาสอย่าคิดฆ่ากันอย่าคิด ข, ดขโมยกันให้เคารพสิทธิ์ในสามีภรรยาซึ่งกันและกันอย่ากโกหกกันอย่าไปกินเหล้าให้ขาดสติถ้าเมื่อขาดสติแล้วมันขาดสติแล้วทำความชั่วเสียหายได้ทุกอย่างพวกคนขาดสติสําหรับฆราวาสพวกอย่างพวกเราท่านทั้งหลายมีภาระมาก รักษาศีลห้าเพียงแค่นี้กับเพียงพอแล้วละ่ะถ้าหากว่ามีความพยายามพัฒนาขึ้นไปอีกเอารักษาศีลอุโบสถปรับปรุงกายใจของตนเองเ อ, งองีกจากนั้นก็ให้ภาวนานะเนอะทำจิตใจให้สงบจะให้จิตใจปรุงฟุ้งตลอดหาความสุขไม่ได้เราจะมองไม่เห็นคุณงามความดีเราจะไม่เห็นความดีความชั่วถ้าจิตใจของเราสงบเนิ่งแล้วนำมาการกรองไตรตรองเหตุและผลเนี่แหละพวกท่านทั้งหลายจะ ประสบความสุขในการเป็นอยู่แล้วก็จะได้เดินตามแนวแถวที่พระพุทธเจ้าวางไว้ทุกอย่างนี่แหละขอให้พวกเราลูกหลานทุกคนเนะวันนี้เป็นวันสำคัญอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวก็ขอให้พวกเราประกอบคุณงามความดีสั่งสมบุญกุศลเอาไว้อย่าตั้งอยู่ในความประมาทแต่หลวงพ่อย้ำเสมอว่าพวกเราตายแล้วไม่สูญเนะิอ ในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าปุเพนวาสานุจติยานล้ำลึกชาติผนหลังได้ถ้าว่าพระพุทธเจา้าตายแล้วสูญพระพุทธเจ้าจะล้ ล, ล, ะ ล, ะลึกชาติผลหลังได้ยังไงใช่ไหมล่ะที่ว่าล้ำลึกชาติผนหลังได้คือตายแล้วไม่สูญก่อนที่เราจะไม่สูญพวกเราจะเตรียมตัวอย่างไรทนี้เราเป็นพุทธบริษัทนี่ต้องเชื่อฟังธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนะทีนี้ถ้าตายแล้วไม่สูญให้ทํำยังไง บอกพรเจ้าว่าให้ทานรักษาศีลให้ภาวนาถ้าว่าอเนกสงค์คนไหนก็ตามขี้เกีย จ, ยจนนะนน ท, ทําบุญทําทานไม่มีอเนกสง์ทานเกิดพบหน้าชาติหน้าจะยากจนนะเพราะอเนกสง์ทานไม่มีแต่ถ้าว่าผู้ใดทำบุญทําทานไว้เกิดพบหน้าชาติหน้านะั่นแหละจะบุญกุศลตัวนี้จะเป็นเครื่องเกื้อกูลหนุนพวกเราเพราะเราได้ตัดสู้เราได้บรรลุตัดสู้เป็นพระนุตรสัมมาสัมโพธิญาณเพราะเราเป็นผู้มีทานเนอะ เป็นผู้มีทานมีสินนะถ้าว่าไม่มีทานมีศินเป็นไปไม่ได้ที่จะไปสู่ความสุขความเจริญได้พระธรรมท่านจึงว่าให้ทานแล้วก็รักษาศินแล้วจักก็ให้ั้งก็ให้ภาวนา น, ะนี่แหละนี่ทำคำสอนของพระพุทธเจ้าคนในพวกเราให้ศึกษาท่นี้วิชาอย่างเราต้องศึกษาทั้งนั้นละ่ะวิชากเกษตรวิชากฎหมายวิชาอะไรเราต้องศึกษาแต่วิชาพระพุทธศาสนาเห้ยวิชาห่วย ไม่ต้องศึกษาก็รู้หรอกนั่นแหละจะไม่รู้อะไรจนไม่รู้กระทั่งว่าศาสนาพิธีเขาทำอะไรอย่างหลวงพ่อเคยพูดรัฐมนตีพอได้เป็นรัฐมนตีขึ้นมาแล้วตอนนี้มาวัดอย่างวัดหลวงพ่อเนี่ยอารัฐมนตีนำถวายาผ้ากระถิ่นาวานามโมสามจบ รัตมนตรีก็ไม่เคยเข้าวัดมาก่อนนโมสามจบคืออะไรก็เห็นที่เขาเขียนไว้ให้นะโมสามจบเขียนเสีกระดาษไว้ให้แล้วก็ให้อ่านไปเขาก็ว่านโมตะสาเขาก็มาเดียว่านโมก็คิดว่าคนทหลายก็ได้แล้วนโมใช่ไหนโมสามจบนะรัตมนตรีก็ยักยกแผ่นกระดาษขึ้นมาก็ว่าเขาว่าให้ว่านโมสามจบใช่ไหมนโมนโมนโม ทั้งที่จะวันนโมตัสสะพระคาวะตัวละตัวสัมมาสัมพุทธัสสะใชอเพราะอะไรเพราะไม่ได้ศึกษาฮเพราะนั้นเราจะถ้าไม่ได้ศึกษาเราจะรู้ได้อย่างไงอันนี้ก็เหมือนกันเน่ยพุทธศาสนาไม่ใช่ทําคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่หุ่ยห่วยนะทําคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นคําท้าธรรมะที่ลึกซึ้งควรจะศึกษาอันไหเป็นอันไ ห, น เ, น, น, ไห น, น, นเป็นอันไหนอัไหนเป็นอัไหนศีลทานมีความหมายอย่างไรพระพุทธเจ้าทําไมสอนให้ทาน ศีลมีความหมายอย่างไรท่านยึงสอนให้รักษาศีลศีลห้ามีความหมายอย่างไรแล้วทำไมทำจิตใจให้สงบด้วยทำไมจิตใจทำให้เน่งด้วยสิ่งเหล่านี้พวกเราจะต้องศึกษาถ้าพอศึกษาเข้าไปแล้วโอ้โหทำคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากๆเป็นเรื่องวิถีชีวิตของเราตั้งแต่วันเกิดจนถึงวันตายเลยตายก่อนที่จะตายให้คิดอย่างไรนะมันจึงจะถูกก่อนที่จะ วิญญาณจะออกจากร่างน ะ, ะก่อนที่จะตายนะจะคิดยังไงฮะเพราะว่าท่านบอกว่าร่างกายเหมือนกับรถเลจิตใจขึ้นตัวผูรู้เนะ่ยเหมือนกับคนขับรถเนี่ยก่อนที่จะออกรถจากรถคันนี้แนหะเราคิดยังไงเราจะเตรียมตัวอะไรเราจะเอาของอะไรจะออกจากรถนั้นพอรถมันจะไฟไหม้แล้วเนี่ยเราจะเอาอะไรออกจากรถนั้นนี่แหละพราะพระพุทธเจ้าท่านสอนถึงขนาดนั้นละ่ะ โซเฟอร์จะออกจากรถเนี่ยได้เตรียมจะเอาอะไรออกจากรถคันนั้นนะเเพราะว่ารถคันนั้นมันมีสมบัติอยู่อันนี้ก็เหมือนกันนั่นแหละขอให้พวกเราท่านทั้งหลายศึกษานะศึกษาจะจะรู้ได้ในธรคําสอนของพุทธะนะอ่านต่อนี้ไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พร